ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาในวันนี้ก็คงพูดเรื่องเนคขมบรรมีคือที่ว่าด้วยการออกบวชควาาบวชที่จริงแปลว่าเว้นบากระหวือนแต่เรามองถึงรูปแบบที่พระโพธิสัตว์ท่านใช้ในสมัยสมัยก่อนโน้นสมัยพบชาติต่างๆเนี่ย ลองสังเกตดูในแต่ละพบแต่ละชาติส่วนใหญ่นะครับก็จะบรรลุระดับอภิญยาก็หมายความว่าจเจริญสมาธิจนบรรลุรูปฌานแล้วก็ได้พิญญาห้าประการอย่างในสมัยที่เป็นสุมเม็จดาบดก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็อยู่ระดับนี้อยู่เป็นนั้นมากแม้ระดับโรมนาาฤาษีที่ในทศชาต ก็แสดงว่าผ่านการปฏิบัติก็สรุปว่าสูงสุดของดาบทเนี่ยของนักบวชยุ ก, ก่อนยุกนอกพระพุทธศาสนาอ่ะยุกนอกพระพุทธศาสนาก็แล้วกันว่าจะขึ้นไปถึงอย่างสูงสุดเนี่ยคือเนวสัญญาณสัญญาอัจฉระก็มาพามารูปฌานสี่ที่เรียกว่าสมาบัต 8, แปดเราจะเจอสมาบัตแปดนี่บ่อยถ้าบอกแนวดาบท ซึ่งเป็นนักบวชประเภทฤาษีดาบทมุนีพวกนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ฤาษีดาบทมุนีภิกษุปริภาชกอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาจุดหมายความว่าความเห็นของท่านไม่แรงไม่ใช่มิจฉาทิฐิแรงก็จะห้ามเฉพาะมรรคผลแต่ไม่ถึงข้ามสวรรค์คือท่านสามารถบังเกิดสวรรค์มันเกิดในภรมโลกได้นะ แต่ว่าที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการบรรลุมรรคผลมันก็ไม่แข็งกร้าวเกินไปงานไม่แข็งกร่าวเกินไปสามารถสลายได้ง่ายก็ค่อนไปทางเป็นสมาธิอยู่สูงก็มีท่านจาแนกไว้ในพระคำพีนะฮะว่าพุ บ, บุที่มีอยู่แปดแปดประเภทด้วยกันด บ, บทประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า โดยคนได้บวชพร้อมกับพัญญาแล้วในขณะเดียวกันก็ประกอบอาชีพเลี้ยงชีพเป็นสามาชีพอย่างหนึ่งเราเคยพบชดินคนหนึ่งชื่อเกณิยะชดินก็ยังนึกนึกเกี่ยวกันว่าเออท่านแปลกท่านเป็นนักบวชนอกศาสนานะฮะแต่ว่าท่านก็ถวายเป็นคนแรกที่ถวายน้ําอ้อยงบแก่พระพุทธเจ้า นิมนต์พระพุทธเจ้าก็บพระสงค์ไปเสวยน้ำอ้อยงบที่บ้านของท่านก็แสดงว่าสำมับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็คืออนุปสัมพันธน่นนะก็คือเหมือนกับบานศทั่วไปก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมบ้างพานิตยกรรมบ้างแต่ว่าวิถีชีวิตก็เป็นดบัดบบดดบบดอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นดับบดที่สร้างอาศรมอยู่ริมประตูเมือง นะแล้วก็ทําพิธีส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบูชาไฟรับหน้าที่สอนศินลปศาสตร์แก่ครเอกอิศรชนนะพวกบุตเศรษฐีบุตพราหมณ์พระราชโอรสของกษัตริย์เนี่ยก็ไปศึกษาแล้วเรียนในสำนักของท่านเหล่านั้นรับเงินรับทองแล้วก็นำไปแลกสิ่งที่ท่านจาเป็นต้องใช้คือไม่ได้มาความรับมากหรอก แต่ว่าอะไรที่ท่านจะเป็นต้องใช้ท่านก็เอาเงินทองไปซื้อหามาดบบทอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าดับบทปร ะ, ประเภทนี้ถ้าเราเทียบแล้วมันก็ดีกว่าประเภทที่มีลูกเมียนะคือว่ามันทำประโยชน์แก่สังคมค่อนข้างเสียสละเอื้อกรุณาสังคมสูงดับบทอีกประเภทหนึ่งค่อนข้างเคร่งเรียกว่ารับบิณฑบาตรับอาหารใจาชาวบ้านเนี่ย แต่ว่าเฉพาะในเวลาอาหารเลี้ยงชีพไปแต่ละวันแต่ละวันไม่มีการเก็บสะสมค่อนไปทางเป็นพระเราเนะค่อนไปทางเป็นพระเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องปัจจัยแต่พันกรก็ประร ก, กับพระที่คณะเนี่ยพอกเออเดี๋ยวนี้มันมีปัญหานะพวกพวกบริขาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่สะสมไม่ได้นะเพราะ อ, อะไรเพราะว่าเรียกอะไรจังเลย โดนเรื่อยๆเนี่ยทั้งพระทั้งโยมทั้งงานนั่นงานนี้นี่ต้องถูกเรืรายปีหนึ่งเยอะมากเพราะในความคิดเดิมที่ว่าไม่เก็บสะสมเนี่ยมันไม่ใช่ถึงกับไม่เก็บสะสมแต่หมายความมาไม่ได้เก็บไว้ในฐานะเป็นของเราจะเก็บไว้เพื่อช่วยคนอื่นก็ทําให้มองเห็นถึงว่าอย่างพระอันนนท์เนี่ยท่านเก็บข้าวไว้เป็นแสนแสนผืนนะก็ถาวายมาเท่าไหร่ท่านรับหมด แล้วข้าวคลังเอาไว้พอถึงได้จังหวะก็อของขึ้นบรรทุกเกวียนก็นำไปแจกจ่ายในะที่ต่งางๆเพราะในสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็มีปัญหามันกันว่ายุคสมัยหนึ่งเนี่ยทำไดนะ้ยุคสมัยหนึ่งมันต้องคนที่มีอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งพวานักของคนอื่นได้เนะี่ยมันก็ต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งเขาได้ด้วยและโดยเฉพาะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานี่ต้องดูแลผู้น้อยเยอะนะ แล้วก็ไม่ได้มีกรอบขอบขายอะไรก็มาจากไหนไม่รู้เป็นพระเป็นเนนเดือดร้อนมาท่ขานก็ขอร้องให้ช่วยเราก็ต้องพยายามดินน้นรนกวนขวายเพื่อช่วยเหลือในการมีการเก็บไปบ้างมันก็ดีนะฮะเพื่อได้ช่วยเหลือกันแต่ก็ไม่ได้มาความมาเก็บไว้เพื่อใช้สอยเองนี่ก็ดาว บ, บทพวกนี้ก็เรียกว่ามันใช้ชีวิตแบบอะไรละ่ะแบบตามขอสารบอกบอกหม้อแต่ว่า เป็นการเที่ยวพิกขาจา์แล้วก็ได้เท่าไรก็ฉันแล้วก็จบเลยแล้วตัวเองก็อยู่ในการบูชาไฟก็ใช้ชีวิตแบบคล้ายๆกับพระกรรมฐานของเรานะพระธุดงนะพระธุดงประการต่อไปนั้นได้แก่ดาบทที่บริโภคแต่ใบไม้และผลไม้ซึ่งไม่สุกด้วยไฟไอ้ น, นี่ก็ชักยุ่งเหมือนกันหรือชักเคร่งขึ้นนะคือก็เทียบเคียงเนี่ยหมายความว่า อันดับรองลงมาเนี่ยจะดีกว่าอันดับข้างบนไปเรื่อยๆเช่นอันดับสองดีกว่าอันดับหนึ่งอันดับสามดีกว่าอันดับสองอันดับสี่ดีกว่าอันดับสามมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราดูแล้วก็ทรมานตัวเองเยอะก็ในประไตรปิดกอัตถกถาเองท่านก็อธิบายไว้คนข้างพิสดารเราก็นึกดูว่าเออท่านเหล่านี้ท่านอยู่มาได้จนถึงทุกวันเนี้เนี เพราะอะไรเพราะว่าท่านปักใจท่านเชื่อมันเป็นลักษณะของศีลเขาเรียกว่าศีลพรตศิลรักปรามาตแล้วก็ท่านยึดมัน่นถือมั่นเอาไว้บางทีท่านก็ปักใจมากไปก็เรียกว่าอิดาเมวะสัจจังโมคะบัรยางอย่างนี้เท่า น, นั้นถูกต้อ ง, ยงอย่างอื่นไม่ถูกต้องใครทำยังไงก็ไม่รู้ฉันไม่เอาฉันเอาอย่างนี้แล้วก็แปลกที่มันถ่ายทอดมาได้เป็นพันพันปีเลยจนเดี๋ยวนี้มีหมดที่ท่านว่าไว้เนี่ยมีทั้งหมดในอินเดียเนี่ยนะหนังือเป็นเรื่องแปลกมาก ก็แสดงถึงอัตยัศัยความโน้มเอียงที่มีอยู่ภายในใจของท่านนะฮะท่านอาจจะเคยเกิดเป็นดาวบทแนวนั้นมาเยอะแล้วก็ได้เออประการต่อไปนั้นเป็นดาวบทที่ถือไอ้ก้อนหินหรือว่าสัตราอย่างอื่นเที่ยวไปนะเวลาหิวก็ไปถากไปถากเอาเปลือกไม้ที่พบแล้วก็เคี้ยวกินแล้วเสร็จแล้วก็อธิษฐานอุโบสถ ก็แสดงว่าไม่ใช่รักษาสิ่ต่อเนื่องหมายความว่ามีมีดอยู่ในมือมีพล้ามีอะไรอยู่ในมืออันหนึ่งแล้วก็เที่ยวจะริกเร่ร่อนครับในนอนนั้นไปเรื่อยพอหิวขึ้นมาก็ถากเปลือกไม้กินพอกินเสร็จแล้วก็อธิษฐานบทสวดแล้วจเจริญพรหมิหารนะฮะเก่งเก่งกว่าประเภทต้นๆทั้งหมดเพราะว่าเข้าถึงพรหมิหารพรหมิหารนั้นไม่ใช่จเจริญได้ง่ายนะ ตังขนาดก้าวไปจนถึงเจริญโภมิหารก็แสดงว่ามันเป็นพัฒนาการในจิตวิญญาณนค่อนข้างสูงแต่ว่ามีอาการของโมหะอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่จําเป็นนี้ต้องไปเสียเวลาอย่างนั้นคือถ้าต้องการจะที่ฐานโบสดุดก็ไม่จำเป็นจะต้องกินเปลือกไม้ก็อาหารเรียกว่าพอเป็นอาหารกายนะให้กายมันเดียวด้ แปลว่ากินเบลกไม้บางทีมันก็มีปัญหามันเสียดแทงหรือว่าใบใบไม้ที่มันเป็นอันตรายอะไรแต่ไหนมันก็คงจะยุ่งปวดสงควรเหมือนกันดะบบนพวกเนี้ยระบบอีกพวกหนึ่งเนี่ยจะไปอาศัยอยู่แถวหนองน้ําหรือว่าราวป่าแล้วก็ไปพวกพวกเนี้ยพวกพวกงาบัวพวกใบกกกบัวพวกดอกบัวคือดอกไม้ถึงเ อ, อ่อเมื่อในฤดูที่ดอกไม้ออกดอก หรือบริโภคผลไม้เมื่อระดูผลไม้ก็ก็แล้วแต่อะไรก็บางครั้งบางคราวอาจจะกินแม้แต่สะเก็ดไม้อะไรต่างๆเนี่ยทีนี้จะไม่เที่ยวหาอาหารน้อยความมาเจออะไรก็กินเลยไม่เที่ยวไปแสวงหาจากนั้นจะที่ฐานโบสถ์สดจเจริญพุทธประารสี่เหมือนกันพวกนี้ก็ถือว่าดีกว่าหกประเภทแรกประเภทสุดท้ายนี้ท่านถือว่าดีที่สุดเนี่ย แต่แหมดูแล้วก็ทรมานนะแกท่านบอกว่าบริโภคได้แต่ใบไม้ที่หลุดจากขั้วหล่นลงบนพื้นดินใบไม้ที่หลุดนะคือยังนึกอย่างอย่างเนี้ยอย่างหีือว่าพระโพธิสัตร์เคยบวชเป็นดาวบดแล้วกินเฉพาะใบอะไรก็หมากเมา่นะก็ยังไม่รู้จักมันกันไล้หมากเมาเป็นยังไงแต่ว่ายังนึกถึงคุณค่าทางอาหารแต่นั้นคือผลตบะทั้งหลายเนะี่ย มันเป็นเรื่องของความเชื่อในกระแสของจิตเที่ยงคือหมายความว่าพวกนี้จะทรมานร่างกายล้วถือว่าทรมานร่างกายก็เป็นตบะเราจะเห็นว่าที่จริงมันตั้งแต่พวกที่ห้ามาในค่อนข้างเข้าขีเพราะอะเพราะท่านรักษาศีลบสถทแล้วท่านเจริญพรมหมฐานส่วนวิธีการครองชีพของท่านนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทาไมจะต้องไปทรมานร่างกายอย่างนั้น เพราะที่จริงแล้วเนี่ยการเจริญพรมิหารก็ดีการภาษาบทสุดสิ้นก็ดีเนี่ยสุขภาพกายเนี่ยต้องเกือ้อกูลเพราะกายกับจิตเนี่ยอาศัยกันแต่มันก็สะท้อนกลับไปสู่อะครูยุคสมัยเป็นปนัญหาข้อเท็จริงในแง่ของประวัติศาสตร์คือทำให้เรามองเห็นทั้งว่าเรื่องหนึ่งที่ตามปกติคนไม่ค่อยมองประวัติศาสตร์ แล้วบางทีเราก็ตัดสินนั่นโดยปัจจุบันก็กลายเป็นปัญหาที่ปัญหาข้อยุติไม่ได้ลงตัวไม่ได้มันถามว่าทำไมทำไมแล้วใครจะตอบได้เพราะไม่มีใครทันไม่มีใครเกิดทันมันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยเป็นการตัดสินปัญหาตามสภาพแวดล้อมที่ท่านสัมผัสอยู่ในขณะนั้นๆแล้วพอเรายุคนี้สัมผัสเราก็ทาไปอีกแบบหนึ่ง คือถ้าท่านมาเห็นท่านก็ทุ้งติ่งเหมือนกันท่านก็ถามเมื่อเราพูดการว่าทำไมต้องทําอย่างนั้นนะพะท่านมองเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบก็แสดงว่าถ้าไม่ดีจริงนะฮะมันต่อมาไม่ได้อย่างในปัจจุบันเหมือนกันเพราะฉะนั้นหล่านั้นต้องได้อะไรของท่านและอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างพวกนักบวชฤๅษีอะไรอันตรายต่างๆเนะี่ยเราก็เคยพบนะฮะเตยพบเป็นคนบางคนที่ประวัติชีวิตของท่านมา แล้วก็มีพวกดาวบทพวกนับฟดพวกฤาษีจิไพยต่างๆยอย่าลืมวาตั้งฝึกจิตนะฮะตั้งฝึกจิตของท่านและจิตที่มันฝึกไปเนี่ยมันก็ไปได้ไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าพวกนี้ไม่สามารถบรรุมรรคผลได้แต่นั้นเองจะถามว่าทำไมเพราะท่านอยู่ในกับศีลปพิปปรามาท่านมีสักยะทิฏฐิหรือท่านถือมีอัตราตัวตนเที่ยงแท้ร่างกายที่ทรมาเนี่ยเพื่อให จิตวิญญาณที่มันอยู่ในกรงขังคือกายนี่เป็นอิสระพร้วเราก็เห็นชัดเจนว่าเออทำไมท่านเหล่านี้ไม่ไปทาง น, น้นมันไปไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นประตูขวางประตูขวางไม่ท่านเข้าไปสู่ประตูนิพพานหลังจากท่านไปยึดติดในแนวของสักกายติถิอยู่แล้วการปฏิบัติของท่านก็เป็นแนวของศีลับตะปรามานได้ย่าลืมนะฮะว่าพัฒนาจิตไปได้ไม่ใช่ธรรมดา ไปจนถึงรูปฌานนะรูปฌานนะเราแม่ระดับปัจจุบันเนี่ยขนาดสมาธิวิปั ส, สนาฌานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วแล้วเราก็พูดบางทีก็ไกลเกินไปไกลเกินฝันบางทีมันก็มีความขัดแย้งกันนะเช่นบางทีเนี่ยพวกอาจารย์อภิธรรมเนี่ยเกินคุ้นๆก็เคยเตือนนะบอกอัตราบัรยายได้เกินนะ คือสึดอัตราเขาใหญ่เละนะคือบางคนเนดีมากๆคือเรียกว่ามีความสงบอยู่ภายในแล้วก็ดีมากๆไม่แสดงความมีอัตราปัญหาสําคัญว่าท่านเหล่านี้ก็คือเห็นโทษของกรรมมาคูณเมือนกันเห็ดไหมก็มีครอบครัวอยู่พวงเดียวกันเองเห็นโทษในกรรมเห็นโทษในกิเลสเห็นโทษในภพ แต่ว่าไปมุ่งไปสู่การอยู่เป็นสุขชั่วในรันรอนก็ทําให้มุ่งไปสู่ไม่ตลอดสายเพราะแนวของบารมีธรรมเนี่ยมันต้องไปเห็นโทษในพบเมื่อก็กกงขังเมื่อก็หลุมท่านเพลองเมื่อการตรายทั้งหลายเมื่อก็เรือนถูกไฟไหม้ก็แล้วแต่จะคิดนะ แ, แต่จะมองเกิดสรุปว่าไม่น่าอยู่ไม่น่าพิสมัยแต่ว่าส่วนมากแล้วเราก็มองในแนวเดียวมองในแนวเดียวคืตั้งข้อสังเกตในแนวเดียว คือนานมาแล้วตอนตอนนั้นที่จริงก็บวชพรรษาแรกกันนะเทมาก็อธิบายหรือวิเคราะห์บอกว่าคือต้องคิดเหมือนกันนะยมมันต้องคิดได้เป็นระบบป่ะไอเทวดาหนึ่งองค์เทพบุตรหนึ่งองค์มีเทพทิดาเป็นบริวารห้าร้อยบางพัน 500, 000, บ้างมากมายกาย ก, ก, กองหรือแม้แต่เรื่องของพระมาลัยเทวเทนนะเทมาไม่ชอบไม่เชื่อด้วยนะยตั้งแต่เด็กมาเลย แ็ะเป็นเป็นเป็นเด็กนะฮะเกืออ่านตอนเป็นเด็กคือบริวารของพระมาลัยเนี่ยที่มาไหว้ประจุลาบณนีเจดีสวรรค์เนี่ยนะสีโกดกับสี่ทีน ะ, ะหมายความว่าห้อมล้อมในด้านละสี่โกดก็สี่ด้านทีนี้โกดหนึ่งเท่ากับสิบล้าน4ีโกดก็คือสี่สิบล้าน4ี่ีีก็สิบหก ร้อยหกสิบล้านนะนะเอาคนมาจากไหนไปเกิดเป็นเทพธิดาอย่างนั้นมากมายไก่กองแล้วปัญหาว่าเทพบระมุขหนึ่งองค์มีเทพธิดาตั้งห้าร้อยนี่อยู่กันได้ยังไงแล้วก็อยู่ทําไมมันอะไรคือความสุขอ่ะก็มีหลวงปู่หลวงพ่อท่านนัง อ, องค์เนี่ยท่านบอกเออคุณนี่มันกลา้าวิจารณ์อ่ะก็บอกมันต้องคิดนะหลวงพ่อนะมันเป็นปัญหาที่เราต้องคิด เพราะว่ามันเป็นยุคสมัยที่มันบูชากรรมกันมากตนปลือกรรมกันมากแล้วก็ไปคิดเพราะมันขัดแย้งกันนะ่ะขัดแย้งกันยังไงเขาบอกว่าคนที่เกิดมาเนี่ยกิจโฉมนุษสปฏิลาภ ก, การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากอยู่แล้วนะแต่ทีนี้การบังเกิดเป็นเทพ เทพประบุเทพธิดาเนี่ยไม่ยากริงกว่านั้นนะจนถึงก็ท่านพูดรวมเหมือนก็โคหนึ่งตัวเนี่ยที่ขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยเหมือนก็เขาโคลแลวส่วนใหญ่มันก็ก็เรียกกระลาดในพวกอบายภูมิทั้งหลายเนี่ยเพราะงนก็ถ้าถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันก็น่าเบื่อสมมติว่ามีจริงเนี่ยไม่รู้จะเอาทำอะไระนะมันคงเจียวเจ้าวุ่นวายน่าดูเนาะเทพธิดาเยอะไปหมดเลย แล้วก็ยิ่งไปพบอะไรต่างๆก็เหมือนกันเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ไปพุ่งไปสู่พบที่มันประณีตแล้วก็อยู่นานเพราะขึ้นอยู่การมองอีกแหละมันเสียเวลาประการบังเกิดเป็นพรหมในที่จริงมันเสียเวลานะี่ยพักอยู่ในสังสารวัตคล้ายๆกับไปรออยู่เฉยๆไปอยู่เฉยๆก็เสียเวลาในการเสริมสร้างบารมี แต่พวอดีคนระดับประพุทธิสัตว์เนี่ยท่านบอกว่าท่านทําอธิมุตตะการคือหมายความมาอธิษฐานจิตให้ดับได้ก็คล้ายๆกับกลั้นลมหายใจตายนะแต่ว่านี้ก็ไม่ใช่กั้นลมหายใจคืออธิษฐานจิตให้ให้จุติได้้จุติเพื่อมาสร้างสมบุมบารมีได้นะเพราะแน่ๆของนิขธรรเราก็ยังไงก็ตามนะมันเป็นที่รงทานศีลภาวนา น, นั่นแหละ หมายความว่าวเราจะเห็นว่าบา ร, รมีสี่ข้ออย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าทานศีลเนคขมะปัญญาเนี่ยทานศีลเนคขมะมันก็คือใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นตัวประกบโลกปวดหลงโดยตรงทีนี้ตัวเนคขมะนั้นเป็นที่รวมของทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าระดับฤาษีจีไพรเนี่ยปัญญาท่านไม่มากท่า น, นั้นเอง เพราะกิเลสท่านก็มีเยอะบางครั้งท่านก็ขี้โกรธด้วยนะฤาษีเราตํานานในฤาษีขี้โกรธแล้วก็อะไรท่านอ่อนไหวกับเรื่องเพศกับเรื่องโทสะนี่มากฤาษีขนาดฤาษีก็ไลยโกรธแต่ยังเอาตัวไปรอดเลยโดนเทพธิดาแปลงมาเป็นผู้หญิงโยโยนพักเดียวตบบาบะแตกเลยมันก็แสดงให้เห็นว่ากิเลสประเภทนี้ทั้งหมดอะ่ะมันมันมันกำเริบได้ บางคนก็มีการสาปมีการแช่งกันอเกิดทะเลาะกันหรือสีทะเลาะกันแล้วชาวบ้านเดือดร้อนนะนักบวชทะเลาะกันก็ยังนึกว่าเออพางีเม่ใหมู่พระเราเนะ้ะก็มีการทะเลาะมีการขัดแย้งมีการแบ่งแยกกันเพีางนึกว่ามันจะทะเลาะเอาอะไรไปไหนนะประเดี๋ยวจะตายแล้วก็อยู่ที่ไหนพอพูดได้ก็พูดเรื่อ ย, อยนะพูดปางเขียนบ้างก็แสดงไปบ้าง เขาได้คิดก็ดีไปไม่ได้คิดก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นึกนึกดูเถอะว่ามันมันขัดแย้งกับสถานภาพของเราเพราะการออกเนี่ยมันออกจากกิเลสก่อนอย่างอื่นจึงจะออกได้นะ่ะถ้าไม่ออกจากกิเลสมันออกไม่ได้เราเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองในสายของปัจจัยการท่านทั้งหลายจะคุณคงจะคุ้นนะที่ที่ท่านพูดถึงพระอระหรันต์ ปัญหานั้นหักกําแห่งสังสารวัฏก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมพูดง่ายๆก็คือกิเลสกรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นคือกิเลสกรรมก็คือกรรมทีนี้ถ้าเรายังมีวิชามันก็มีตัณหามีตัณหาก็มีปาทานมีอุปาทานก็มีกรรมท่านก็มีครบหมดเบิ้มก็ยังหมุนวนยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏก็แสดงไม่ได้ออกจริง ออกอยังไงอะอย่างน้อยก็บันเทานะคือคือการปฏิบัติในลักษณะเนี่ยแนวพรหมจันทร์ที่ท่านกล่าวไว้เราจะเห็นว่าเนื้อหานี่คืออหิงสาอาหิงสาสัญญโมธมอหิงสาก็คือเป็นเป็นภาพลักษณ์เลยเป็นตัวตนของนักบวชไลคือไม่เบียดเบียนไม่ใช่พูดเรื่องการุณานะแต่เนื้อหาจริงๆต้องการุณาแหละนักบวชเนี่ยเพียงแต่ว่าต้องไม่เบียดเบียน เป็นภาพลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนักบวชแต่ทายังไงจะเกิดได้ละ่ะต้องสัญญาณะคือสํารวมระหวังสํารวมระหว่างอะไรก็สํารวมระหว่างการปฏิบัติไปตามหลักของเนี่ยของศีนเนี่ยของศีนบ้างของอินทรีย์คือสํารวมอินทรีย์ที่กล่าวมาในเรื่องศีนเนี่ยแล้วก็บางครั้งก็ต้องมีขันติคืออดกั้นอดทนท น, ทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายไม่มาเข้าบารมีกันติบารมีบางครั้งก็ต้องใช้สติ คือสํารวมด้วยสติระลึกรู้เท่าทันทังความจริงแต่บางครั้งมันก็ต้องใช้ญาณคือตัวรู้เลยเป็น ค, ความรู้เท่าทันทังความจริงในขณะนั้นๆมั น, นมก็สําบูรณนะ์เป็นการสํารวมระวังไปเรื่อยๆจนกว่าการสํารวมเป็นอัตโนมัติหมายความมารลึกรู้เท่าทันทั้งความจริงมันเหมือนประสาทอัตโนมัตินะ เซนกายคากตาเราเราเห็นว่ามีประสาทอัตโนมัติเพราะอะไรบินมาจะเข้าตาเราก็พลิ้วไปเลยมันเป็นไปได้โดยอัตโนมัติแต่ว่าจิตมันอัตโนมัติไม่ค่อยได้เพราะว่าอประสิทธิภาพมันไม่สูงพอเพราะงั้นการฝึกเพื่อเข้าถึงอัตโนมัติก็ฝึกฝึก็มีประสิทธิภาพสูงพอการสํารวจระวังจึงออกไปทั้งแนวกว้างแล ะ, ะแนวลึกมีความประณีตลงไปโดยลําดับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ย ก็เป็นการสัมรวมที่ไม่ต้องสัมรวมคือเคลื่อนไหวไปได้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีคล้ายๆกับคนที่ขับรถจนชำนิชำนาญเนี่ยไม่ต้องเกรงไม่ต้องเครียดคือเคลื่อนไหวไปได้ตามใจที่ประสงค์บางครั้งบางครวาวเนออาจจะเข้าสู่สนามแข่งขันกันแต่ก็สามารถที่จะประสบชัยชนะได้วราแนวการปฏิบัติในเรื่อง สำรวมระวังในที่จริงเป็นเรื่องศีลนะฮะแต่ว่ามันประณีตมากิงขึ้นกันนั่นเองก็เดินขึ้นมาจากศีลก่อนสำรวมขึ้นไปเรื่อยเพราะอาการที่สัมผัสการไม่เบียดเบียนเนี่ยคือไม่เบียดเบียนโดยกายกับวาจาไอ้คิดเบียดเบียนนั้นก็ว่ากันทีหลังแต่ถ้าอาการไม่เบียดเบียนออกมาทางกายทางวาจาก็ดีนะฮะแต่ว่าอย่าลืมมาเป็นการสะท้อนจากจิตแสดงว่าจิตท่านเองก็ต้องไม่เบียดเบียนอยู่ด้วยต้องฝั่งกันไร แต่หลวงพระพุทธญาณในวันนี้ขอยืดติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไัยบูรณ์ในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี